กราบบูชาพระยตนาไตรกราบบูชาครูบาอาจารย์ <c oughs> ตั้งแต่หลว ง, งพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถาวายความกราบบมายังพระอาจารย์ทรงศิลป์พระอาจารย์ัฒนาชัยพระเทระขอกาศเพื่อนสาธรร ม, มิกรเจริญพรมายังไม่ชีและก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่าน ก็นั่งกันตามปกติเนาะ <c oughs> เออวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่16มีนาคมพุทธศักราช2558 <c oughs> ก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะที่มีผู้สนใจนะในการที่จะมาเจริญสตินะที่วัดป่าสุกโต นะเป็นการมาในคอสกลุ่มประจำเดือนนะประจำเดือนมีนาคมนะซึ่งเราก็เริ่มต้นกันตั้งแต่เมื่อวานนะก็คือวันที่15แล้วก็จะไปสิ้นสุดวันที่ 21-21 นะมีนาคมก็เมื่อวานนะก็ลองสอบถามนะว่า่าละคนตั้งใจมาวัดป่าสุกโตเนี่ย จะมาอะไรนะก็ตอบกันไปหลาย <c oughs> หลายคำพูดนะบางคนก็บอกมาฝึกสมาธินะบางคนก็บอกมาฝึกสตินะบางคนก็บอกมาทำกรรมฐานนะอันนี้มันก็เป็นชื่อนะที่สมมุติที่ตั้งกันขึ้นมานะมากมายแต่ถ้าพูดกันง่ายๆก็คือมาเรียนรู้ตัวเรา น่ะเรียนรู้ตัวเรานี่แหละจะพูดสับแสงอะไรก็ตามมันมาจบที่ตัวเราตัวเราซึ่งประกอบไปด้วยกายประกอบไปด้วยใจเราเรียนรู้เรื่องราวของสังคมเศรษฐกิจการเมืองกันมามากมายความรู้ในวิชาการทั้งโลกเยอะแยะแล้วก็ไม่จบไม่สิน้นบางอย่างก็ ทำให้เรามีความรู้มากขึ้นเอาไว้ใช้ในการดำรงชีวิตเอาไว้ใช้ในการทำมาหากินเอาไว้ใช้ในการติดต่อสัมพันธ์กับผู้คนนะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับสังคมแต่สิ่งหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้เรียนรู้กันหรืให้ความสำคัญน้อย ก็คือการมาเรียนรู้ตัวเราเองการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้ที่สุดนะจนบางทีเราหลงลืมละเลยไม่ได้ให้ค่าไม่ได้ให้ความสําคัญกับมันแล้วเราก็มีชีวิตนะที่จมไปกับความสุขจมไปกับความทุกข์นะเรียกว่าเสพติดนะเป็นชีวิตเสพติด เสพติด ส, สุขทุกขนะ์เมื่อมีความทุกขนะ์ก็พยายามจะไปหาสิ่งอื่นๆนะมากรบเกลื่อนปลดปล่อยนะความทุกข์ความหนัก อ, อกหนักใจนะจะเป็นการไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆการได้พูดคุยกับเพื่อนฝูงการได้เข้าสังคม หรนะือการที่ไปทํากิจกรรมต่างๆนะที่เป็นประโยชน์นะกับสังคมกับชุมชนนะนั้นก็เป็นการหาทางออกนะด้วยในรูปแบบต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดอะไรนะก็เป็นเรื่องของการที่คนเราเนี่ยก็พยายามหาช่องทางหาวิธีการจะทําังไงใ ห, ให้เรามีความสุขนะและก็ห่างไกลจากความทุกข์ นะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราคงจะคุ้นเคยแล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติกันมาความทุกข์นั้นนะมันมีโดยธรรมชาตนะิอย่างที่เราได้สาธยายมนไปเมื่อสักครู่นี้ความทุกข์ที่เกิดจากกายมันไม่สบายมันเจ็บมันปวดมันร้อนมันหนาวมันปวดมันเมื่อย งานนี้เป็นความทุกข์ทางกายซึ่งมันมีอยู่เป็นประจำคำ ว, ว่าเป็นประจำในที่นี้ไม่ใช่ว่าเกิดตลอดเวลานะเกิดเป็นบางครัง้งบางขณะแต่มันก็มาอยู่เรื่อยๆความทุกข์ชนิดนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำใ ห, ให้มันหายไปได้โดยไม่เกิดเลยนัก็คือหมายถึงว่าเราไม่ปวดไม่เมื่อยเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ ม, มันเป็นธรรมชาติธรรมดาของร่างกายที่มันจะต้องปวดต้องเมื่อย หรือแม้แต่เราไม่ได้สิ่งที่เรามุ่งหวังนะก็ทําให้เราทุกข์ขึ้นมานะ น, นั่นก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในจิตในใจนะซึ่งอันนี้ก็เป็นธรรมดาที่มันจะเกิดขึ้นความทุกข์เหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำอย่างไรกับมันเช่นร่างกายเราปวดเราเมื่อยเราหิวเรากระหายอันนี้ก็ไม่ยากอะไรนะเราก็บําบัด บันเทาแก้ไขไปนั่งนานๆมันปวดมันเมื่อยเราก็เปลี่ยนอิริยาบถแต่ก่อนจะเปลี่ยนให้เรารู้สึกตัวทั้งก่อนนะเราจะเปลี่ยนฟรีๆนะเราอาศัยความทุกข์ที่มีเนี่ยเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ในการศึกษาหรืออย่างเราเจอกับเหตุการณ์ซึ่งเราคาดไม่ถึงนะทำให้เราเสียอกเสียใจนะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เอามาเรียนรู้ ความทุกข์ทางกายทางใจที่มันมีเนี่ยเขาสรุปไว้ในตอนท้ายว่าเพราะเราไปมีความยึดมั่นถือมั่นความยึดมั่นถือมั่นอยากใช้มันเป็นอย่างใจที่เราคิดไม่อยากที่ใช้มันเป็นอย่างที่มันเป็นเช่นเรานั่งนานเนี่ยเราไม่อยากปวดไม่อยากเมื่อยหรือว่าอากาศมันร้อนเราไม่อยากให้มันร้อนอากาศามันหนาวมันเราไม่อยากให้มันหนาว น, นี่เรียกว่าเราเรามีความอยาก นะความอยากเพราะอะไรเพราะความไม่รู้ไม่รู้ความจริงว่ามันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นเองนะที่มันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะเมื่อร่างกายจิตใจของเราไปสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือเราเรียกว่าโลกนั่นเองนะอากาศก็ดีผู้คนก็ดีสังคมก็ดนะีเมื่อมากระทบกระเทือนนะได้ไปเกี่ยวข้องแล้วใจเราเป็นยังไง ใจเราสุขใจเราทุกข์นะใจเราเนี่ยถ้าเราไม่ดูดีๆเราไม่เรียนรู้เข้าไปจริงๆนะมันก็จะหลงหลงไปในสุขหลงไปในทุกข์นะรักสุขเกียดทุกข์นะใจมันก็ฟูฟูแฟบแฟบมันไม่ปกติอย่างขณะที่นั่งฟังอยู่ขณะนี้ใจเราก็ปกติเฉยเฉยสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่รู้อยู่ ว่ามันปกติอยู่แต่ก็อาจจะมีบางคนนาะที่อาจจะพึ่งมาเมื่อวานเมื่อคืนยังนอนไม่เคอยอิ่มนะเพราะยังไม่คุ้นก็อาจจะมีงกง่วงบ้างก็ให้สังเกตดูอันนี้มันเป็นปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นนะเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นนะที่ให้เราเรียนรู้เพราะนั้นการเรียนรู้เรื่องตัวเราเองเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องใจเรื่องกายเนี่ย การเรียนธรรมะคือมาเรียนตรงนี้การเห็นธรรมะคือเห็นสิ่งนี้ไม่ใช่เห็นสีเห็นแสงเห็นอะไรดวงแก้วเห็นพระพุทธเจ้านาลอยมาเห็นองค์พระก็มีบางที่บางแห่งเห็นองค์พระขนาดเท่านั้นเท่านี้อันนั้นนะเขาบอกว่าเห็นธรรมอันนั้นมันเป็นนิมิตนะมันเป็นสิ่งที่จิตมันสร้างขึ้นมามันออกมาได้สารพันะ ปนั้นผู้ที่ไม่มีสติดีพอเนี่ยแล้วไปฝึกจิตนะแล้วไปเพ่งเห็นสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันโดนหลอกโดนจิตหลอกเอาง่ายๆเราจเจนสิ่งที่เราไม่เคยเห็นหรือบางทีมันก็ไปเห็นสิ่งที่เราเคยเห็นนานแล้วจำไม่ได้ละนะบางคนก็ไปโอ้ oh, เราลึกชาติได้นะชาตินูนชาตินี้นะซึ่งอันนั้นเนี่ยนะจริงก็มีไม่จริงก็มี นะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีสติเนี่ยไปฝึกสมาธิอันตรายอันนี้เป็นคําพูดของอาจารย์โกวิชเคมานัน tha นะคนที่ฝึกสมาธิโดยไม่มีสติหรือสติยังไม่แข็งแรงพอนะก็จะโดนจิตมันหลอกหลอกไอกน้นั่นหลอกให้เห็นภาพนั้นหลอกให้เห็นภาพนี้หรือบางทีก็มีกลิ่นหอมมาดอกไม้ซึ่งเราไม่เคยได้กลิ่นหรือบางทีก็ เป็นภาพนิมิตต่างๆได้เข้าเฝ้าพพุทธเจ้าได้ไปฟังธรรมจากพุทธเจ้านะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จิตมันมันนึกมันคิดมันจินตนาการทั้งสิ้นพรจาจฉนนั้นในการที่เรามาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจของเราเนี่ยนะเราจะต้องรู้เท่ารู้ทันความคิดลงแต่งความทุกข์มันมีสองอย่างหนึ่งทุกธรรมน ทุกที่มีประจําสังขารทุกที่มีตามธรรมชาติธรรมดาอันนี้ให้เรารู้เท่าทันแล้วก็ปรับเปลี่ยนแก้ไขแต่ความทุกข์อีกชนิดหนึ่งเป็นความทุกข์ที่เกิดจากการไม่รู้นะแล้วก็เกิดความอยากเกิดความยึดติดขึ้นมาซึ่งมันจะเกิดขึ้นเป็นชั่วครั้งชั่วคราวชั่วขณะแล้วมันก็มาครอบงาให้จิตใจของเราเนี่ยไม่รู้สึกไม่สบายรู้สึกไม่ปกตินะ ความทุกข์ชนิดที่2เนี่ยมันแก้ได้ด้วยการใช้สติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะนะในส่วนแรกนั้นเราแก้ไขผ่อนคลายบรรเทาไปรับรู้นะว่าอ๋อทุกข์มันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาของมันอย่างนี้เองนะเราไม่ต้องไปคาดหวังกะเกณฑ์ให้มันเป็นไปอย่างใจที่เราต้องการนะอย่างเช่นเราปวดเราเมื่อยเราไม่อยากให้มันปวดมันเมื่อย มันร้อนเราไม่อยากให้มันร้อนนะมันหนาวเราไม่อยากให้มันหนาวอันนี้คือการไม่รู้ไม่รู้ความจริงของธรรมชาติธรรมดาของกายของใจนะทีนี้การจะรู้เท่าทันตรงนี้ได้เนี่ยนะจำเป็นที่เราจะต้องใช้เครื่องมือคือความรู้สึกตัวนะหรือเรียกเป็นภาษาบาลีเรียกว่าสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวเนี่ย เป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแต่ที่มีเนี่ยมันเป็นสติตามสัญชาตญาณเป็นสติพื้นฐานหรือสติสามัญที่เราใช้ในการกินในการอยู่ในการหนีภัยในการนำการํำงานนะซึ่งสติตรงนี้นี่แหละนะที่เราจะพัฒนาให้มันมีความว่องไวฉับไวขึ้นนะให้มันไวกับอะไรไวกับอารมณ์ไวกับความรู้สึกนึกคิด นาที่มันพาให้เราหลงเตลิดเปิดเพิงไปกับความสุขความทุกข์ชีวิตจิตใจละหกละเหินนาไปกับความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆทั้งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราและก็เกิดขึ้นจากภายนอกเพราะนั้นตัวสติสัมปชัญญะเนี่ยจึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากและเป็นสิ่งสาคัญเรามาวัดป่าสุกโตเนี่ยเราจะใช้ชื่ออะไรก็ตามนะ จเจริญสติก็ดีฝึกกรรมฐานก็ดีฝึกสมาธิก็ดีโดยสรุปแล้วก็คือมาพัฒนาความรู้สึกตัวหรือจเจริญสตินั่นเองการจเจริญสติหรือการพัฒนาความรู้สึกตัวที่มีอยู่แล้วเราก็อาศัยรูปแบบนะรูปแบบที่หลวงพ่อเทียนนะท่านได้นำเสนอไว้แล้วก็ได้ถ่ายทอดนะผ่านหลวงพ่อคาเขียนนะมาจนถึงปัจจุบัน นะก็ผ่านครูบาอาจารย์ต่างๆนะเพราะฉะนั้นที่เราได้มาอยู่ที่นี่เนี่ยเรามาเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาวัดป่าสุกโตถ้าไม่ได้เรียนรู้พวกนี้น่าเสียดายเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์นะเป็นลักษณะที่เด่นของที่นี่ถ้ามาแล้วมากินมานอนมาหาความสุขสบายๆก็ดีนะแต่มันยังไม่ดีที่สุด ถ้ามาแล้วเนี่ยได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้ติดเนื้อติดตัวกลับไปไปลุยกับโลกต่อไปไปใช้ชีวิตต่อไปเนี่ยอันนี้ถือว่าคุ้มค่าถ้ามาแล้วไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้ไม่ว่าจะมาบวชนะหรือไม่ว่าจะมาศึกษาปฏิบัติธรรมไม่ได้บวชก็ตามนะถ้าไม่ได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้น่าเสียดายมากเสียดายเวลาเสียดายความตั้งใจ ความศรัทธาที่มีมาที่วัดป่าสุโกโตธรรมาก็เชื่อว่าหลายท่านมีความศรัทธาอยากจะมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้แต่การมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้เนี่ยเดิมเราตั้งใจไว้ดีแต่พอมาถึงบางทีมันก็มีอุปสรรคขวางกัน้นอุปสรรคขวางกั้นเนี่ยภาษาธรรมะเขาเรียกว่ามารมาานะที่สาคัญอันหนึ่งก็คือมานที่มันเป็นขันธมาน ขันธมานคืออะไรมันมาปฏิบัติเนี่นะเดิมเราตั้งใจว่าเออมาปฏิบัตินี่ยมันน่าจะสงบมันน่าจะสบายมันน่าจะไม่ต้องคิดอะไรแต่พอมาทํานี่มันปวดมันเมื่อยมันไม่สบายเลยมันลําบากมันง่วงนอนมันเบื่อนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันขวางกั้นทันทีเลยเพราะฉะนั้นผู้ที่ ยังไม่มีพละกกำลังหรือยังไม่มีอินทรีย์ที่แก่กล้าพอก็จะถอยออกไปนะถอยออกไปคือมาได้วันสองวันถอยและยิ่งถ้าไม่มีกรารยาณมิตรนะไม่มีครูบาอาจารย์เนี่ยก็ถอยเลยหรือบางคนก็เปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนไปทางานทาการไม่เอาละไม่ศึกษาละไม่ปฏิบัติละมันลำบากเราคงไม่มีบุญหรือมันอาจจะไม่ถูกกัจจลิตนิสยัยมันคิดไปเรื่อย นะอันนี้ก็เป็น <c oughs> ก็เรียกว่าอภิสังขารมานนะก็คือคิดปรงแต่งไปนะขันธมานก็คือร่างกายมันเจ็บมันปวดมันเมื่อยมันไม่สบายมาปฏิบัตินึกว่ามันจะสบายนะพอเปลี่ยนรูปภาพที่ก็ติดตามสี่แยกก็ดีตามโฆษณาในโทรทัศน์ข่าวสาราาต่างๆโอ้นั่งมันนิ่งสงบสบายยิ้มน้อยๆ น, น, นะโหลมานี่ เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าปวดแข้งปวดขาง่วงเหงาเหานอนโอ้มันไม่สบายเลยยิ่งกลุ่มมาปฏิบัติวันนี้วันแรกเต็มเ็มเนี่นะเดี๋ยวเราจะได้เจอพยามานพวกนี้นะมานนี่ไม่ใช่อะไรหรอกตรงนี้แหละนะมานขันธมานนะที่เกี่ยวกับร่างกายของเรานะแล้วก็ <c oughs> ความคิดปรุงแต่งนะต่างๆนาะนาะความสะดวกสบายมาอยู่ที่นี่เนี่ยโอ้มานอนพื้น พื้นแข็งแข็งเงี้ยโอ้โหมันไม่นุ่มเหมือนที่บ้านเลยนะนะมันก็คิดถึงที่บ้านเหมือนกันนะบางคนก็อยู่ไม่ไหวแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องฝ่าฟันนะฝ่าฟันอุปสรรคขวางกัน้นอย่าไปเชื่อมารพญามารเนี่ยถ้าเราอ่านศึกษาพุทธประวัติจะทราบดีตอนเจ้าชายจะจะออกบวชเนี่ยพญามารบอกจะไปเลย ดูไงวังเนี่ยสบายแล้วนะเดี๋ยวจะได้เป็นจักรพรรดิแล้วนะแต่เจ้าใจตะท่านไม่เชื่อท่านไม่เชื่อมานก็ออกไปนะจนได้คนพบนะได้ตัดสั้เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาแบบอย่างนะเจ้าใจตามานมันมาขวางกัน้นไม่ยอมแพ้มันจะง่วงมันจะเบือ่อเราก็ปฏิบัติยกมือเดินจงกรมสร้างจังหวะ นะอย่าไปเห็นแก่ความสุขความสะดวกสบายนะความสุขความสะดวกสบายเนี่ยเาเรียกว่าบ่วงของมาร น, นะเป็นกิเลส ช, ชนิดหนึ่งนะที่ทำให้เราเนี่ย <c oughs> ไม่ภาคเพียนเกิดการท้อถอยเพระาะฉะนั้นผู้ที่มาวัดป่าสุกโตและตั้งใจจะมาศึกษาเรื่องพวกนี้เนี่ยด่านแรกเนี่ยพญ า, ามามจะกั้นไว้เลยเรียกว่าทดสอบกำลังใจจะไหวไม่ไหว นะอย่างเช่นเราง่วงนอนเนี่ยเรายอมแพ้มันแล้วถ้าไม่มีกลุ่มไม่มีเพื่อนมีกาลยาณมิตรเนี่ยเราก็จะทําทตามใจนะบางทีนอนเอ่อทำไปนิดนิดหน่อยเออไม่ไหวและกลับไปนอนนะบางทีก็กลับไปนอนกลางวันการปฏิบัติโดยวิธีการเจริญสติเราจะไม่นอนกลางวันแต่กลางคืนเราต้องนอนมีบางคนนะกลางวันนอนกลางคืนไม่นอนนะ อันนี้ก็ผิดเวลานะเพราะฉะนั้นเราจัดสรรชีวิตของเรานะให้มันลงตัวแล้วก็ <c oughs> อาศัยความศรัทธาที่มีอาศัยความเพียรลงไปนะไม่ท้อถอยแต่ในเวลาเดียวกันในการฝึกเจริญสติเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเราก็มักจะตั้งใจเอาจริงเอาจังเคร่งเครียดเพ่งจ้องนะตรงนี้ก็ให้สังเกตนะ ให้สังเกตแล้วค่อยปรับเนื้อปรับตัวให้มันพอเหมาะพอดีนะจะบอกว่าไม่ให้เกง่งไม่เพ่งไม่จ้องเลยเนี่ยมันบางทีมันก็พูดได้นะแต่ว่าเราทําทีไรเราเป็นทุกทีสมัยแต่ ม, มาไปฝึกใหม่ๆก็เป็นอย่า ง, งานัางงาน้นเหมือนกันนะมันเกง่งเก ง, เ, กงเพ่งเพ ง, เพงจ้องจ้องมันเหมือนตอนสมัยเราเด็กๆ เ, เราเขียนหนังสือครั้งแรกอะ่ะมันจับปากกาจับดินสอเนี่ยโหยมือเก่งเลยนะเขียนตัวใหญ่บ้างตัวเล็กบ้าง การมาฝึกเจริญสติก็เหมือนกันใหม่ๆเพ่งเพงจ้องจ้องแล้วเราก็สังเกตเนาะค่อยค่อยปรับเนื้อปรับตัวปรับกายปรับใจนะเรียกว่าวางกายคลาคลายวางใจกลางๆไม่เก็กไม่เก่ง ไ, ไม่เพ่งไม่จ้องนะอันนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยฝึกได้อย่างต่อเนื่องการเจริญสติจะได้ผลดีต้องทำให้มันต่อเนื่อง และการต่อเนื่องนั้นทั้งในรูปแบบและนอกรูปแบบในรูปแบบก็คือเดินจงกคมสร้างจังหวะนะที่เราทำกันอยู่นะแล้วก็นอกรูปแบบก็คือเอ่อออกจากรูปแบบไปใช้ชีวิตประจำวันจะไปกินไปดื่มไปเข้าห้องน้ำไปขับถ่ายให้มีความรู้สึกตัวนะแปลงฟัน ล้างจานด้วยความรู้สึกตัวนะอย่างแม่ครัวก็ทำครัวก็ทำด้วยความรู้สึกตัวซักผ้าด้วยความรู้สึกตัวก็คือมีใจอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยใจมันอยู่ตรงเนี้ยใจมันไม่ได้หนีไปไหนใจมันไม่ได้ไปกับความคิดลงแต่งต่างๆนานามันอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่เฉพาะหน้าอันนี้ก็คือมีชีวิตที่อยู่เป็นปัจจุบัน ถ้าเราไม่มีสติหรือไม่รู้สึกตัวส่วนใหญ่เราก็จะหลงตเตลิดเปิดเปิงนะไปกับความคิดเรื่องราวในอดีตเรื่องราวในอนาคตนะเรื่องราวต่างๆมากมายเรียวกว่าจมไปอยู่กับความคิดเพราะฉะนั้นการเจริญสติก็คือการที่เรากลับมาอยู่กับสิ่งที่ทำอยู่เฉพาะหน้าในะปัจจุบันให้มีความรู้สึกตัวบ่อยๆให้ต่อเนื่อง ความรู้สึกตัวนั้นเป็นธรรมชาติที่เขาจะเกิดขึ้นเองเพียงแต่เราสร้างเหตุปัจจัยเราอย่าไปเพ่งจ้องให้มันรู้ตลอดเวลาอันนั้นมันจะเกิดความเครียดนะเพราะฉะนั้นใหม่ๆเนืรู้บ้งางเผลอบ้างแต่เผลอเรารู้ว่าเผลอนะั่นคือเรารู้เมื่อรู้ว่าเผลอก็กลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวเอากายเคลื่อนไหวเป็นหลักไว้ก่อนอย่าพึ่งไปสนใจความคิด ใหม่ๆอย่าพิ่งไปสนใจความคิดเพราะว่าความคิดมีกำลังสติเรายังอ่อนนะหลวงพ่อเทียนนั้นเปรียบเหมือนว่าแมวกับหนูแมวคือความรู้สึกตัวหนูคือความคิดรุงแต่งใหม่ๆเนี่ยหนูมันตัวใหญ่แมวมันตัวเล็กพอแมวมันเจอหนูทีไรมันจะคุบทุกทีแต่กำลังมันน้อยหนูก็ลากไป เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ก็คือต้องเลี้ยงแมวให้มันตัวใหญ่เปรียบเทียบตรงนี้ก็คือใหม่ๆเนี่ยนะความรู้สึกตัวมันจะยังไม่ค่อยวหวไม่ค่อยว่องมันยังเฉยๆอยู่มันยังไม่ค่อยมีกำลังการที่เรามาเคลื่อนไหวด้วยการเดินชงกลมด้วยการสร้างจังหวะหรือพยายามใส่ใจกับความรู้สึกตัวในอิริยาบถต่างๆในกิจวัตรประจาวัน นี่คือให้อาหารกับสติให้อาหารกับความรู้สึกตัวให้มันตื่นตัวให้มันฉับไวขึ้นเหมือนให้อาหารกับแมวเพราะนั้นใหม่เนี่ยความรู้สึกตัวเรามันน้อยพอเวลาเราทำเนี่ยความคิดมันก็จะลากไปนานลากไปบางทีเราไ ม, ไม่รู้ทันมันคิดไปสิบเรื่องแล้วไม่รู้ทันเลยแต่เมื่อเราจเจริญสติบ่อยเนี่ยคิดสิบเรื่องเรารู้ทันเรื่องที่สิ เราเริ่มรู้เรื่องที่สิบทำไปเรื่อยเรื่อยเรารู้เรื่องที่9มันไม่ถึงเรื่องที่10นะรู้เรื่องที่8ที่7ดที่6ที่ห้าที่6มันจะซอยเข้ามาเรื่อยๆสุดท้ายคิดปุ๊บรู้ปับ๊บคิดปุ๊บรู้ปับ๊บตรงนี้เรียกว่าสติเขาทำงานโดยอัตโนมัติแล้วแต่ใหม่ๆหเราอย่าใจร้อนค่อยเป็นค่อยไปบางทีก็ทันบางทีก็ไม่ทันไม่เป็นไรให้กาลังใจตัวเอง เผลอแล้วกลับมารู้สึกตัวที่การเคลื่อนไหวเผลอไปไม่เป็นไรนะก็คือให้เป็นความรู้สึกทีละขณะนะทีละขณะนะทีละขณะนะไม่ใช่เป็นความรู้สึกแบบจี้จะให้มันรู้ตลอดเวลาการไปจี้ให้รู้ตลอดเวลามันจะเครียดมันจะมึนมันจะหนักแล้วมันจะเบื่อปนั้นรู้บ้างเผลอบ้างนะเผลอแล้วกลับมารู้กลับมารู้ให้ได้บ่อยๆตรงเนี้ยมันจะทาให้เรามีการมีพัฒนาการขึ้นมา แล้วเรียนรู้มันทุกอารมณ์นะอย่าไปหวังว่าทําแล้วมันจะปลอดโปร่งโล่งสบายเดินตัวเบามีปิติซาบซ่านอันนั้นก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นตลอดหรอกบางทีมันก็หนักอึ้งบางทีมันก็มึนหัวบางทีมันก็เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวพวกเนี้ยเรียนรู้มันหมดเลยเรียนรู้แล้วไม่ไปยึดไปถือมันปล่อยวางเรียนรู้มันเป็นธรรมชาติธรรมดาอ๋อมันเป็นอย่างนี้เอง เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยอะไรมันเกิดเนี่ยรู้มันทุกอารมณ์รู้แล้วผ่านการผ่านก็คือใช้ความรู้สึกตัวเป็นตัวผ่านเพราะนั้นไม่ต้องไปเลือกนะว่าเราอยากได้อารมณ์นี้ไม่อยากได้อารมณ์นี้ไอการไม่อยากหรืออยากนั่นอนะ่ะมันเป็นตัณหาขึ้นมาแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัว เพราะฉะนั้นทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นภายในจิตในใจหรือเกิดขึ้นกับกายของเรานัน่นแหละคือธรรมะเป็นธรรมะธรรมชาติที่มันแสดงตัวเพราะฉะนั้นการเห็นธรรมะการเรียนรู้ธรรมะเรียนรู้ตรงนี้เรียนรู้ลงไปตรงตรงตรงนี้เครื่องมือที่ใช้คือความรู้สึกตัวไม่ใช่ความคิดนะสิ่งที่ได้ยินได้ฟังขณะนี้เป็นสุตตมยปัญญาเป็นปัญญาที่จากการได้ยินได้ฟัง ได้คิดพิจารณาแต่ตองเป็นจินตามายปัญญาสองอันนี้ทําให้เกิดความเข้าใจสําหรับที่จะไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดภาวนามายปัญญาภาวนามายปัญญาเกิดขึ้นจากการที่เราลงมือปฏิบัติแล้วได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราแล้วมันประจักษ์แจ้งกับตัวเราจริงๆแล้วมันไม่หลงไม่ลืมเราสามารถพูดด้วยภาษาของเราเองเราไม่ต้องไปจดจําภาษาของคนนู้นคนนี้มาพูด น, นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจากการเจริญสติะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการเรียนรู้เรื่องธรรมะเนี่ยเป็นการเรียนรู้สิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราเนี่ยก็คือที่กายที่ใจของเราเอากายเอาใจเป็นตำราเอาสติเป็นนักศรรึกษาอันนี้เป็นคำพูดของหลวงพ่อคำเขียนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันอยู่กับเนื้อกับตัวของเรา การเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเรียนได้ทุกเวลาตั้งแต่ตื่นยันหลับนะเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ยากอะไรนะเพียงแต่ว่าขอให้เรามีความแยบคายในการที่จะสังเกตในการที่จะดูร่างกายของเราจิตใจที่มันแสดงออกมานะว่ามันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอย่างไรอย่าไปกะเกณฑ์ให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการเพียงแค่นี้เนี่ย ปัญญามันจะเกิดเป็นปัญญาที่เกิดจากการสัมผัสความจริงไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการจดจำหรือคำนึงคำนวณเป็นปัญญาที่เกิดจากการสัมผัสรู้ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากการคิดรู้ซึ่งอันนี้คือปัญญาพุทธะเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติเป็นภาวนามยปัญญาเพราะนั้นในช่วงเวลาที่จะมีที่เรามาอยู่ที่นี่สาหรับกลุ่มปฏิบัติ เต็มที่จริงจริงก็ห้าวันวันสุดท้ายไม่ต้องพูดถึงละเพราะมันก็ไม่ได้เต็มวันเท่าไหร่ห้าวันนี้เนี่ยให้เป็นห้าวันแห่งความรู้สึกตัวทุกเวลานาทีให้เป็นเวลาแห่งความรู้สึกตัวรู้สึกตัวเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างหลงเรียกว่ารู้บ้างหลงบ้างไม่เป็นไรหลงแล้วกลับมารู้ได้บ่อยๆเนาะอะไรเกิดขึ้นก็พยายามประคับประคองตัวเองให้กาลังใจตัวเอง อย่าไปท้อไปถอยมีความเพียรมีความพยายามมีความตั้งใจมีความอดทนนาใหม่เนี่ยสติยังไม่มีมากใช้ขันติไปก่อนนะเอาขันติเอาความเพียร น, นะความศรัทธาใส่ลงไปนะแล้วก็พยายามสังเกตปรับเปลี่ยนพ่อนคลายบรรเทาแก้ไขไปนะตรงนี้ก็จะทาให้เราทำได้ไปเรื่อยๆช่วงสองสาวันแรกเป็นช่วงที่ปรับเนื้อปรับตัว อาจจะลำบากสักนิดหนึ่งนะและเดี๋ยวพอปรับตัวได้มันก็จะสบายขึ้นแต่สบายขึ้นก็อย่าไปติดความสบายอีกนะบางคนเนี่ยปฏิบัติไปแล้วตัวเบาสบายมีปิติอยากให้มันเกิดขึ้นตลอดเวลานะบางทีมันก็ไม่เป็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียนรู้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงปวนแปลไปไม่ได้อยู่แนวอำนาจของเราอันะนี่คือธรรมะที่เป็นธรรมชาติที่เขาแสดงตัวออกมา เพราะนั้นการเรียนรู้เรื่องชีวิตเรื่องกายเรื่องใจเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ๆตัวเรามาอยู่ที่นี่เรียนรู้เรื่องพวกนี้แล้วมันจะติดเนื้อติดตัวไปเนาะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าในช่วงห้าวันที่เราจะได้ใช้ชีวิตสำหรับกลุ่มประจำเดือนสำหรับผู้ที่อยู่ที่วัดก็คงได้ทําเรื่องนี้กันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ให้ทาให้มันดียิ่งๆขึ้นไป อย่าไปพอใจเพียงแค่ที่มีอยู่เขาบอกว่าการกินการอยู่เนี่ยให้มารู้จักพอเหมาะพอดีแต่การทำคุณงามความดีหรือพัฒนาสติพัฒนาปัญญาเนี่ยทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดที่สุดแห่งทุกข์ถ้ายังไม่ถึงที่สุดเนี่ยเราก็จะยังไม่หยุดความเพียรทำมันเรื่อยไปแม้ว่าข้างหน้า มันจะถึงหรือไม่ถึงก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยๆ อ, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพูดไว้ชัดว่ามันมีหลวงพ่อคําเขียนหลวงพ่อเทียนก็พูดว่าที่สุดทุก์มันมีแล้วทําได้ด้วยมันไม่ใช่เหลื อ, เห ล, อเหลือวิสัยนะเพียงแต่ว่าเราจะทํากันหรือไม่ทํานะเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะเป็นสิ่งที่นําเสนอในช้าวันนี้นะขอให้พวกเราเนี่ย ได้ใช้เวลาให้มันคุ้มค่านะกับการอยู่ที่นี่ให้เป็นเวลาแห่งการเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจใช้สติเป็นตาส่องเข้าไปข้างในเรามีตาเนื้อที่จะมองไปข้างนอกและมีตาในที่จะมองเข้ามาข้างในมองโลกข้างนอกมองใจข้างในนะก็จะทำให้เราสัมผัสกับความเป็นปกตนะิที่เป็นจิตเดิมแท้ที่มีอยู่แล้ว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 เรียนรู้ดูมันลงไปและพระสงค์ก็คือผู้ปฏิบัติหรือการปฏิบัตินะที่จะเห็นความจริงของสิ่งต่างๆนะด้วยความเพียรความพยายามความอดทนความตั้งใจของทุกท่านนะขอให้เป็นพระวะปัจจัยหนุนนำให้ได้สัมผัสนะกับความเป็นปกติสุขของใจนะซึ่งเป็นความสุขที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ในปัจจุบันชาตินี้โดยโชวหน้ากันเถินเจริญพร